วันนี้เป็นวันอังคารที่แปดพฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองที่ชาวไทยเราเรียกกันว่าวันลอยกระทงชาวพุทธเราถือเรียกว่าเป็นวันพระ วันศึกษาวันปฏิบัติธรรมวันแห่งการเจริญมรรคผล น, ผนิพพานวันนี้เราจะมาเจริญมรรคที่มีชื่อว่าสัมมาวายามูแปลว่าความเพียรชอบความขยันเหมือนเพียรที่ถูกต้อง อันนี้เป็นมรรคที่สำคัญที่สุดในมรรคทั้งหมดที่มีอยู่แปดองค์ด้วยกัน<ม>คือมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัโปความคิดชอบ<ม>สัมมากรรมโตการกระทําชอบ<ม>สัมมาวาจา การพูดชอบสัมมาอาชีวะ อ, อาชีพชอบสัมมาวายาโมวความเพียรชอบสัมมาสติการอาลึกรรู้ชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบมักนี้ เป็นองค์ประกอบของของการเคลื่อนไหวของจิตใจให้เข้าสู่พระนิพพานให้หลุดออกจากสังสารวัฏโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือตายพบหรือตายโลกกระทานที่ประกอบด้วย กามภพบรูปพบและอารูปภพบที่สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรานี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ตอนนี้พวกเรามาเกิดอยู่ในกามภพบพบของมนุษย์และเทวดาและเปรตผีสัตว์เดรัจฉานผู้ยังเสกกามอยู่ ผู้ยังมีความยินดีต่อการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเป็นอารมณ์จึงทําให้ต้องกลับมาเกิดในการมาพบเพื่อจะได้กลับมาเสบรูปเสียงกลิ่นรสผธพาะต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่การมาเกิดนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขจากการเสกการ แต่มันก็มีความทุกข์ตามมาด้วยเหมือนกันและความทุกข์นี้มันมากยิ่งกว่าความสุขที่จะได้รับจากการเสพกางเพราะมันจะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพาจากกันนี้มาให้ได้สัมผัสให้ได้รับรู้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าสัมผัสไม่แน่ไม่น่ารับรู้เลยเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการพัดพากจากกันผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่เห็นโทษของการเสพกามคือเสพรูปเสียงจิตลดโผฏฐพัพชชะนิดต่าง ก็จะค้นควาหาทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ซึง่งนานก็จะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบทางสู่การออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนี้ ก็คือมรรคที่มีองค์แปดที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิมรรคที่มีองค์แปดนี้มีมรรคอยู่องค์หนึ่งที่เป็นมรรคที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนจิตใจให้เข้าสู่พระนิพพาน ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดมักที่กล่าวถึงนี้ก็คือสัมมาวายาโมความเพียรชอบดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าปราะศะจากความเพียรความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติมักข้ออื่นๆ การหลุดพ้นจากความทุกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยสัมมาวายามุนีเปรียบเหมือนเป็นเครื่องยนต์และล้อของรถยนต์รถยนต์นี้มีองค์ประกอบมีส่วนประกอบหลายอย่างด้วยกันมีตัวถังมีมีที่นั่งมีหลังคามีประตูมีกระจกมีอะไรต่างๆ แต่รถยนต์ที่ไม่มีร้อไม่มีเครื่องยนต์นี้จะไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ฉันได้มักที่มีองค์แปดนี้ถ้าขาดสัมมาวายามุคือความเพียรชอบมักก็จะไม่สามารถพาจิตใจให้ไปสู่ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมรรคองคอื่นเช่นสมมาทิฏฐิจนถึงสมาสมาธินี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าขาดสัมมาวายาโมความเพียรชอบนี้ความเพียรชอบนี้จึงเป็นองค์ประกอบของมรรคที่สำคัญอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวโดดเด่นเหมือนสมาธิเหมือนสมาสมาธิสัมมาสติหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรแต่ถ้าไม่มีสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้สัมมาสมาธิก็จะเกิดไม่ได้ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ปรก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องมีผู้ผลักดันให้มร่านี้เกิดขึ้นมาผู้ที่จะผลักดันให้มร่านี้เกิดขึ้นมาได้นี้ก็คือสัมมาวายามุความเพียรชอบนี้ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีความปรารถนา ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จาเป็นจะต้องมีความเพียรชอบเป็นผู้ตักนันเคออยอจะอยู่เฉยๆนี้แล้วมานั่งอธิษฐานจิตขอให้ไปถึงพระนิพพานนี้นย่อมเป็นไปไม่ได้จะไป จะหลุดพ้นจากกองทุกจะไปพระนิพพานนี้ต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเท่านั้นถ้าปราศจากความเพียรสัมมาวายามุไม่มีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะกระทากิจของสัมมาวายามุซึ่งมีอยู่สี่ข้อใหญ่ๆด้วยกัน ข้อที่หนึ่งของสัมมาวายามโมความเพียรชอบคืออะไรก็คือการสร้างกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมาข้อที่สองการรักษากุศลที่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หดหายไปข้อที่สาม การกาจัดอกุศลที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปและข้อที่สี่การป้องกันไม่ให้อกุศลที่ได้ชำระแล้วกลับเกิดขึ้นมาอีกนี่คือลักษณะของความเพียรชอบมีอยู่สี่ประการด้วยกัน ข้อที่หนึ่งให้สร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นกุศลคืออะไรบ้างก็คือความดีการกระทาความดีต่างๆคือการทำบุญต่างๆนี่เองการกระทาความดีการสร้างธรรมะสร้างบุญบารณีต่างๆให้เกิดขึ้นมาเช่นเมตตาบารณี เรามีความเมตตากันหรือยังเราให้อภัยไม่จองเวรได้หรือไม่เราไม่เบียดเบียนผู้ได้หรือไม่เราไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้ได้หรือไม่เราให้ความสุขแก่ผู้ได้หรือไม่นี่คือคุณสมบัติของผู้มีความเมตตาผู้มีความเมตตานี้ จะต้องให้อภัยเสมอไม่ว่าใครจะทำอะไรกับเราจะทำให้เราเสียหายเสียใจจะทำให้เรากอดเราต้องให้อภัยไม่จองเวรเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการที่เรามีเจ้ากรรมในเวร ก็เพราะเราไปจองเวรจองกรรมกับคนนั้นคนนี้ไปทำร้ายเขาไปแก้แค้นไปล้างแค้ น, นก็เลยไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะมาล้างแค้นเรามาตามจองเวรจองกรรมเราเวรก็เลยไม่มีวันหมดด้วยการจองเวร เมื่อเราไปจองเวรเขาเขาก็มาจองเวรเราพอเขามาจองเวรเราเราก็กลับไปจองเวรเขาอีกจองกันไปจองกันมาจนถึงฆ่ากันตายตายไปก็ไม่จบอีกพบหน้าชาหน้าเจอกันใหม่เมื่อไหร่ก็มาจองเวรจองกรรมกันอีกเนี่ยทำไมเราถึงมักทาไมเวลาเราพบคนบางคนนี่เขาไม่เป็นมิตรกับเราเลย เขาเป็นเหมือนศัตรูทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนในพบนี้ชาตินี้เลยแต่เขาจะจองเวรจองกรรมเราไปเรื่อยๆ อ, อันนั้นนหะเพราะว่าในอดีตชาติเราเคยมีเวรมีกรรมกันมาชาตินี้พอได้พบกันได้เจอกันเขาก็เลยมาจองเวรจองกรรมมาอาฆาตมาล่างแ้งเราไอ เช่นเดียวกับเรากับคนบางคนเราก็เจอแล้วเราก็จะไม่ชอบขี้หน้าเขาเลย mm. เห็นแล้วลำคาญเห็นแล้วอยากจะทําร้ายเขาก็มี mm. อันนี้ก็เป็นคู่กรรมกันมาก่อนในอดีต mm. แต่ถ้าเราฝึกการไม่จองเวรจองกรรมกัน mm. เราจะไม่มีสัตว์รู mm. เวลาเราเจอใครนี้ mm. เราจะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่เกลียดชังใคร mm. เราจะให้อภัยเขาถ้าเขาทําให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเราก็จะไม่ไปทําร้ายเขาเราจะให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันอแล้วเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปส่งผลกระทบแก่ผู้อื่นในทางเสียหาย ไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้ทำเขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทำของเราเราอาจจะทำะไรส่งเสียงดังทำให้คนข้างบ้านเขานอนไม่หลับอย่างนี้ก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแปลว่าเบียดเบียนแล้วเราเคยทำรลาย ร่างกายและจิตใจของผู้อื่นหรือไม่ถ้าเราเคยทำเราก็ควรที่จะระงับอย่าไปทำให้เขาเจ็บทางร่างกายหรือเจ็บทางจิตใจใอันนี้เป็นการขาดความเมตตาแล้วเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้หรือไม่เรามีอะไรที่จะทำให้เขาผู้อื่นเขามีความสุขทำให้เขาได้หรือไม่ เช่นเรามีข้าวของอะไรที่เหลือใช้เหลือกินเราแบ่งให้เขาใช้ให้เขากินบ้างได้หรือไม่ต้องการให้ของใช้ของกินนี้จะทําให้ผู้รับมีความสุขนี่อนนี้คือเรื่องของการสร้างกุศลคือความเมตตาถ้ายังเรายังไม่มีในใจของเรา พระเจ้าก็บอกว่าให้เราหมั่นเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆการเจริญเมตตาไม่ใช่การสวดบทแผ่เมตตาอย่างที่คนบางคนคิดกันคิดว่าการแผ่เมตตาก็คือการสวดบทแผ่เมตตาหลังจากนั่งสมาธิเสร็จไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็ให้สวดบทแผ่เมตตา สัพเพสตาอาเวลาโหตุต่อให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเวรกันเถิดอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสวดเฉยๆเป็นการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่รู้วิธีแผ่เมตตาว่าแผ่อย่างไรสำหรับผู้ที่รู้แล้วก็เป็นการเตือนใจไม่ให้ลืมวิธีการแผ่เมตตา การจะแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันเวลาเรามีเรื่องมีราวกันพบปะกันแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกันเราก็ให้อภัยกันไปอย่าถือโทษกดคืนกันไม่จองเวรกันถึงจะเป็นการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดแผ่ด้วยการกระทาอันนี้ก็คือ บุญกุศลอันแรกที่ชาวพุทธเหล่านี้หมั่นจเจริญกันอยู่เรื่อยๆถ้ามันไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเพราะว่าการให้อภัยการไม่จองเวรก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองการกระทําอะไรไม่ให้พูดเขาเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่น่าจะเป็นของยากเย็นลำบากอะไร ขอให้เราเอาคิดถึงโหัว อ, อกเขาหั อ, อกเราเท่านั้นก็พอถ้าเราทํำลายแล้วเราคิดกลับมาว่าถ้าคนอื่นเขาได้รับผลกระทบจากการกระทําอย่างถ้าเราได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้อื่นเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกเสียหายเดือดร้อนเราก็ไม่ควรกระทําสิ่งนั้นอันนี้คือการสร้างบุญสร้างกุศล ที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นมาสร้างบุญสร้างกุศลก็มีหลายอย่างก็เช่นอย่างที่เมตตานี้แต่เมตตานี้มันก็จะพาให้เราไปสร้างบุญสร้างกุศลอย่างอื่นต่อไปอให้เราช่วยเหลือกันให้เราแบ่งปันกัน อ, อันนี้ก็เป็นการกระทําความดีต่างๆการกระทาความดีทาง มักนี้ไม่ต้องการผลตอบแทนจากใครไม่ต้องการความเจริญในลาบยศสารเสรินสุขดังที่คนบางคนคิดกันว่าถ้าเราทำความดีเราต้องได้รับความเจริญทางลาบยศสารเสรินสุขถ้าเราไม่ได้รับเราก็จะไม่ทำความดีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการทำความดีนี้ทำเพื่อเป็นการเจริญมัก จเจริญสัมมาวายามโอเจริญคุณธรรมอันดีงามที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราไม่ได้ทําเพื่อรับรางวัลจากการได้ราบยศสารเสริญได้รับความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายเราทําเพื่อกําจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปเท่านั้นซึ่งมีคุณค่าราคามากกว่าเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจได้แต่ความเมตตาก็สามารถดับความทุกข์ได้เวลาเราโกรธใครนี่เราทุกข์มาก กินไม่ได้นอนไม่หลับพอเราให้อภัยเขาได้ปั๊บความโกรธนั่นก็หายไปความทุกข์ก็หายไปทันทีนี่คือเวลาที่เราทำความดีต่างๆทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นขออย่าไปมองที่ผลตอบแทนที่เราพึงที่เราอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับ คือได้เงินเพิ่มมากขึ้นได้เงินเดือนขึ้นอย่างนี้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับรางวัลได้รับโลกเกียรติคุณอะไรต่างๆหรือได้รับความสุขทางตาหูจมูกเรื่องกายจากการได้รางวัลอย่างนี้เขามีเครื่องร่อให้คนกยานทำงานถ้าทำงานเข้าเป้านี่มีรางวัลให้ไปเที่ยวต่างประเทศ อางนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเพียรในมรรคสัมมาวายาโมความเพียรในมรรคนี้ให้สร้างบุญสร้างกุศลมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้ให้ใหสยบความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันเบาบางลงนะให้มันหมดสิ้นไปให้ได้การกระทำความดีนั้นมีหลายระดับระดับเมตตาระดับทาน แล้วเราก็มีระดับที่สูงกว่านั้นก็คือระดับภาวนาเนี่ยการปฏิบัติสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างคุณสมเราทำบุญทาทานได้แล้วเรามีความเมตตาให้อภัยได้แล้วไม่เบียดใครแล้วเราก็มาทำสิ่งต่อไปก็คือ มาเจริญสติมานั่งสมาธิเียวกัมาเจริญมรรคสัมมาสติสัมมาสมาธิกันแล้วถ้าเราได้สัมมาสติสัมมาธรมาธแล้วเราก็ไปเจริญมรรคขั้นต่อไปคือสมาทิฐิสัมมาสังกปรที่เป็นวิปัสสนาปัญญานี่นี่คือความเพียรข้อที่หนึ่งให้เราสร้างบุญสร้างกุศล ที่เรายังไม่มีในใจให้เกิดขึ้นหรือถ้ามีแต่ยังสร้างไม่สมบูรณ์ยังไม่เต็มร้อย<ม>ก็ต้องเพียรสร้างต่อไปให้เต็มร้อย<ม>ถ้ายังไม่ได้ทำบุญทำทานเต็มร้อย<ม>ก็พยายามทำให้เต็มร้อย<ม>ถ้ายังแผ่เมตตามไม่ครบร้อย<ม><ม>อาจจะให้อภัยบางคนได้บางคนให้อภัยไม่ได้ ก็ต้องมาพยายามให้อภัยกับทุกทุกคนให้ได้พยายามมองทุกคนว่าเหมือนกันเป็นสัตวเพสัตว์ตาเป็นสัตว์เหมือนกันเป็นสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิด น, นพบน้อยพบใหญ่ของสังสารวัตนี้เป็นผู้ที่ปรารถนาความเมตตากันทุกสัตว์ทุกบุคคลไม่มีสัตว์ตัวใดไม่ต้องการความเมตตาเพราะความเมตตาเป็นของเย็นเป็นความสุข ใครได้รับความเมตตาแล้วจะมีความสุขมีความเย็นใจสบายใจฉะนั้นต้องพยายามสร้างบุญสร้างกุศลที่มีแล้วให้มีเพิ่มมากขึ้นไปที่ไม่มีก็สร้างให้ขึ้นให้มันมีเกิดขึ้นมาเพื่อให้มันสมบูรณ์ให้ได้ถ้ า, ถาทำบุญทําทานแล้วสมบูรณ์แล้วเช่นบางท่าน มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไร mm. ก็บริจาคไปหมดเลยสละหมดเลย mm. ไปบวชเลยไปอยู่แบบนักบวช mm. อันนี้ก็ไม่ต้องทำทานต่อแล้วบุญกุศลได้สร้างสมบูรณนะ์แล้วคือการให้ทานความเมตตาคว mm. ามเมตตาก็ถ้ายังไม่เต็ม mm. ก็ต้องพยายามทำให้เต็มเพราะเรายังอาจจะต้องถึงแม้เป็นนักบวชเราก็ยังอาจจะต้องไปเจอกับคนนั่นคนนี้อยู่ และอาจจะมีการกระทำอะไรที่มีการกระทบกระทั่งกันอยู่เราก็ต้องพยายามทําให้มันไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนกันให้ได้ไม่ให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นให้ได้แล้วเราก็มาเจริญสติกันสติเรามีมากมีน้อยเพียงไรเราก็พยายามเพิ่มให้มันมีมากขึ้นโดยหลักแล้ว ควรจะทําตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเรื่องของการเจริญสติถ้าไม่มีความเพียร น, นีจ้จะเจริญสติไม่ได้จะขี้เกียจจะไม่ค่อยพูดโธกันจะไม่ค่อยระลึกรู้ถึงการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายกันจะชอบปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ คิดแล้วก็มาสร้างความไม่สงบให้กับใจสร้างความฟุ้งซ่านสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจหรือสร้างความอยากต่างๆให้กับใจทาให้ใจนี้จะต้องดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ที่ไม่ใช่เป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นเราจึงต้องพยายามหมั่นฝึกสติเจริญสติอยู่เรื่อยๆเพื่อให ใจของเรานี้มีความเจริญก้าวหน้าตามลําดับขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการเจริญสติมีสติแล้วเราก็ต้องเจริญสมาธิต่อต้องหาเวลานั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิก็นั่งเพื่อให้ใจสงบให้ใจรวมเป็นหนึ่งให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาคือสงบตั้งมั่นอยู่ในความว่าง เป็นเวลายาวนานในเบื้องต้นนี้เวลาเจริญสัตวานั่งสมาธินี้สิ่งที่จะได้จากความสงบก็คือคณิกะสมาธิคือจิตจะสงบเพียงชั่วงูแลบลิ้นหรือเพียงชั่วฟ้าแลบเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จิตสามารถเข้าสู่สมาธิได้และก็ตั้งอยู่ไม่ได้นาน เพราะว่ากําลังของสติยังมีไม่มากพอมีมากพอที่จะดันให้เข้าไปในความสงบแต่ก็หมดแรงพอเข้าไปถึงความสงบก็หมดกําลังถูกกําลังของกามาตัญหากามาฉันทะคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลัดันให้จิตให้กลับมาที่ตาหูจมูก น, นิ้นกายให้ออกจากสมาธิมาแต่ถ้าเราเห็นคุณ ประโยชน์ของความสงบว่าเป็นความสุขที่เลื่กว่าความสุขทั้งปวงเลมันก็จะทําให้เราเกิดมีฉันทะวิริยะมีความยินดีที่จะเพียรพยายามจเจริญสติเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเพิ่มให้มากขึ้นไม่ปล่อยให้เผลอไม่ปล่อยให้คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆยืนเดินนั่งนอนนี้ให้จะอยู่กับพุทโธก็ได้หรือจะอยู่กับวิริยาบทก็ได้ แต่ไม่ให้ไปอยู่กับความคิดต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้จดจอ่ออยู่ในปัจจุบัน จ, จ, จดจอ่ออยู่ในปัจจุบันด้วยพุโทโธก็ได้พุโทโธพุธโทโธไปหรือจดจอ่อในปัจจุบันด้วยการดูอิริยาบถการเคลื่อนไหวหต่างๆของร่างกายก็ได้นี่คือการเจริญสติให้มันต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่อง เราก็จะเรียกว่าเป็นสติสัมปะชัญญะสติที่ไม่ขาดไม่ขาดตอนสติใหม่ๆนี้เราเรียกว่าสติเพราะว่ามันยังไม่เป็นสัมปะชัญญะมันยังเป็นสติแบบน้มลุกคุกคานอยู่เหมือนเด็กที่เริ่มฝึกขัดที่จะยืนจะเดินใหม่ๆนี้จะลุกขึ้นมายืนได้เพียงแค่แป๊บเดียวแล้วก็หมดแรงแล้วก็ล้มลงใบคลานใหม่ แล้วก็พยายามลุกขึ้นมายืนใหม่ต่อไปก็ยืนได้นานขึ้นขาก็มีกำลังมากขึ้นพอยืนได้นานแล้วต่อไปก็เริ่มขยับเดินได้ทีละก้าวสองก้าวแล้วก็หมดกำลังก็กลับมาลงมานั่งใหม่กลับมาคานใหม่เดี๋ยวก็กลับมายืนใหม่กลับมาเดินใหม่ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะเดินได้อย่างไม่ล้ม ไม่มล้มลุกคลุกคลานอีกต่อไปอันนี้ก็ลักษณะของสติก็เป็นอย่างนี้เวลาเราฝึกสติใหม่ๆนี้จะอยู่ในปัจจุบันได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีอยู่กับพุทโธได้ไม่กี่คำไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอนนะจะรู้สึกตัวขึ้นมาบางทีหายไปไม่รู้เป็นกี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ได้ พอรู้สึกตัวอ้าวกลับมาพุทโธใหม่พุทโธได้สักสองสามคำไปอีกแล้วหรือคอยเฝ้าดูอิเดียบวการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายดูได้แป๊บเดียวแป๊บไปอีกแล้วคิดถึงเรื่องนั้นอย่างนี้นี่คือลักษณะของสติที่ล้มลุกคลุกคานสติที่ยังไม่เป็นสัมปะชัญญะยังไม่ต่อเนื่องต้องหมั่นพยายามทำสติล้มลุกลุกคานนี้ ให้กลายเป็นสติสัมปชัญญะสติที่มีความต่อเนื่องให้ได้ต้องมีความเพียรชอบต้องมีสัมมาวายโมเพียรพยายามอย่าท้อถอยอย่าเบื่อหน่ายอย่ายอมแพ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆให้เป็นเครื่องเตือนใจให้กำลังใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะออกจากตารางแห่งการเวียนว่ายคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราต้องมีความเพียรพยายามเหมือนนักโทษที่อยู่ในคุกในตารางนี้มีเพียรความเพียรพยายามที่จะหาเครื่องมือเข้าไปเรื่อยลูกกลงหาเรื่อยให้คนสง่งเรื่อยเข้าไปแล้วก็เพียรพยายามเรื่อยลูกกลงไปวันอันิดวันอหน่อยไม่ใช่ว่าจะ เรื <c oughs> ยทีมันจะขาดเนี่ยต้องค่อยๆเรื่อยแล้วต้องไม่ให้ส่งเสียงไม่ให้ใครเขารู้ต้องค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อย <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆ <c oughs> อย่าย่อท้ออย่าหยุดอย่ายอนมีโอกาสมีเวลาเมื่อไหร่รีบไปทำความเพียรกัน <c oughs> เราได้ศึกษามาพอแล้วสำหรับผู้ที่เข้าสู่การปฏิบัติไม่ต้องไปเรียนมาก <c oughs> การเรียนนี้ให้เรียนรู้แค่มรรคแปดก็พอให้รู้ว่ามรรคของไหนมาก่อนให้ดูแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติไม่ต้องไปศึกษาทั้งพระไตรปิฎกไม่ต้องไปศึกษาพระอภิธรรมธรรมะต่างๆเหล่านี้มันเป็นธรรมะที่เป็นส่วนที่จะเกิดตามมาหลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้ว ธรรมะที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้ก็คือมรรคแปดนี่ง้งั้นให้เรามาสนใจเรื่องของมรรคแปดเพียงอย่างเดียวก็พอศึกษาเรื่องของมรรคแปดว่ามีอะไรบ้างและต้องเจริญอะไรก่อนจเจริญอะไรหลังพอรู้แล้วก็ทําไปเลยปฏิบัติไปเลยไม่ต้องไปสนใจกับธรรมะข้ออื่นๆเดี๋ยวมันเวลาบรรลุธรรมแล้วมันจะเข้าใจเองธรรมะข้ออื่นๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงต่างๆ mm. ธรรมะขอ้อหนึนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลังจากที่ได้บรรลุแล้วหลังจากที่ได้ตัดสัตวแล้วแต่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญ น, นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นอยู่ที่สัมมาวายา ม, มงนี้ mm. ความเพียรชอบ mm. เพียรพยายามปฏิบัติ mm. mm. ยอมอดยอมทน mm. ถึงกับยอมอดพาาระกายฐานสี่สิบเ้าวันด้วยกัน mm. คนถ้าเอาถ้าไม่มีความเพียพรพยายามขนาดนี้จะอดข้าวถึงสี่สิบเก้าวันไม่ได้นะเพียงแต่ว่าสรงคนพบว่ามันไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นเท่านั้นเองพระองค์จึงต้องระ ง, งับการอดพัไกายอาหารแล้วเน้นกลับมาการบำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติสมาธิและปัญญาแทนเพราะได้ข้อสรุปว่ากิเลสตัณหาความทุกข์นี้ไม่ได้ อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจและการที่จะกำจัดกิเลสตัณหาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใ จ, ใจให้หมดไปได้นี้ต้องอาศัยการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญานี้พอถึงเน้นกลับท่องกลับมาที่สู่การเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแทน อย่อมในที่สุดก็ได้ทรงตัดสัตว์รู้พระธรรมอันประเสริฐได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดหลังจากนั้นธรรมะต่างๆที่ทรงเอามาสแสดงนี้มันก็เป็นผลพลอยได้ที่ได้มาจากการที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่งฉะนั้นพวกเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนพระไตรปิฎกทั้งทั้งทั้งทั้งชุดเนี่ยไม่ต้องเรียนทุก ทุกบททุกบาทแปดหมื่นสี่พันทำมบทนี้ไม่จําเป็นต้องเรียนขอให้เรียนแค่มากแปดก็พอแล้วเดี๋ยวความรู้ต่างๆมันจะตามมาเองความรู้ความเข้าใจต่างๆมันจะตามมาเองอย่าไปเสียเวลากับการเรียนมากจนเกินไปเพราะไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่ได้ทําให้เราใกล้สู่พระนิพพานแต่อย่างใด บางทียิ่งเรียนมากยิ่งกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นพระนิพพานาไปเสียแล้วก็ได้เพราะเรียนมากแล้วเริ่มสับสนเพราะธทำมากบางข้อมันมันมันมันขัดกันข้อที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถกับข้อที่ว่าเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะมันขัดกันอาไหนจะให้ตนเองเป็นที่พึ่งไหนจะต้องให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่ง ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่เข้าใจแต่ถ้าจะปฏิบัติแล้วจะเข้าใจว่ามันไม่ขัดกันมันเป็นที่ที่พึ่งสองระดับระดับแรกก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สั่งสอนให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนแล้วพอรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปปฏิบัติเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติให้เราไม่ได้ตอนนั้นเราจึงต้องอาศัยอัตตาหิอัตโนนาถ คอนเทนที่พึ่งของตนเราต้องปฏิบัติด้วยตัวของเราเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติให้กับเราไม่ได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงแต่เป็นผู้สอนผู้บอกทางให้กับเราเราต้องเป็นผู้เดินไปอันนี้เป็นของที่มันจะเข้าใจเองไม่ต้องไปเรียนรู้ให้เสียเวลาเรียนรู้แล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เข้าไปในใจมันไม่ได้ออกมาจากใจเราต้องเอา เอาธรรมะในใจของเราให้ออกมาให้ได้ด้วยการกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ด้วยการปฏิบัติมรรคแนี้เองดังนั้นเรียนพอสมควรไม่ใช่ไม่ให้เรียนเรียนได้แต่ให้เป็นเรียนอยู่ในวงมรรคแปดเช่นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็มาฟังเทศฟังธรรมที แล้วก็มาฟังเรื่องของวิธีการปฏิบัติของมารกแบในระดับต่างๆในเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็พอแล้วเรียนแล้วเราจะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่หลงทางเรียนแล้วเราจะได้นำมาไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้ให้เราเรียนพอสมควรเรียนให้รู้ว่าสัมมาวายาโม О เป็นอะไระมีอยู่สี่ข้อคือให้สร้างกุศลบุญกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น สองให้รักษาบุญกุศลที่ได้สร้างขึ้นแล้วไม่ให้โหดหายไปสามให้กำจัดอกุศลต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปสี่ให้ป้องกันไม่ให้อกุศลต่างๆที่ได้ชำละแล้วนั้นกลับเืินขึ้นมาอีกให้รู้แค่นี้ก็พอสี่ข้อนี้แล้วนำเอาไปปฏิบัติ แล้วก็ไปหาไปศึกษาว่ากุศลคืออะไรบ้างกุศลก็คือเนี่ยบุญบารามีต่างๆมรรคแปเมตตาบารามีทานบารามีสติสมาธิปัญญานี่เป็นกุศลที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้อันนี้คือถ้าเรายังไม่มีก็ต้องสร้างให้มีถ้ามีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องทําให้สมบูรณ์เพราะว่าถ้า ยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสินส้นไปได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองจึงจําเป็นต้องมีความเพียรสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆสร้างสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาอยู่เรื่อยๆจนสามารถมีสติสัมปชัญญะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการทุกครั้งที่นั่งสมาธินี้ ภายในห้านาทีนี้จิตต้องคลวมนะต้องเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิได้นานให้มีอุเบกขาปรากฏขึ้นในใจนานๆเพราะอุเบกขานี้จะเป็นทำกำลังที่จะต่อสู้กับกำลังของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่ด้วยด้วยการใช้ปัญญาเป็นผู้คอยชี้ว่า สิ่งไหนเป็นกิเลสตัณหาสิ่งไหนเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาและอุเบกขานี้มากําจัดันกําจัดความอยากความโลภต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งใ้เจริญกุศลแล้วพอเราเจริญกุศลได้แล้วก็อย่าให้มันโหดทายไปอ ย, ย่าหยุดเช่นเราเคยนั่งสมาธิวันละกี่รอบ เข้าสมาธิได้วันละกี่ครั้งก็ต้องเข้าได้อยู่เรื่อยๆอย่าไปอย่าหยุดทำอย่าไปยุ่งอย่าไปทำงานอย่างอื่นอย่าไปทำงานที่มันหยาบกว่ามันต่ำกว่าให้ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าเช่นงานกุศลต่างๆที่เราอาจจะเคยทำมางานทำบุญทาทานต่างๆถ้าเราเข้าสู่ระดับของการภาวนาแล้วเนี่ย งานทางกุศลนี้ครจะละ ง, งับไปไม่จำเป็นจะต้องทำแนละ้วเพราะว่ามันเป็นขั้นบันไดที่ทำให้เราได้ก้าวขึ้นสู่สู่ขั้นที่สูงกว่าคือขั้นภาวนาพอเราอยู่ในขั้นภาวนาแล้วเราอย่าถอยกลับลงมาอยู่ที่ขั้นทานขั้นทานนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำแนละ้วถ้ายังมีอยู่ก็ทำแบบให้มันเสร็จไปหนเดียวเลยมีอะไรก็ยกไปให้คนอื่นก็หมดเลยไม่ต้อง เก็บเอาไว้กักเอาไว้เอาทีลนนิดเทียนหน่อยให้มันไปหมดเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งมากัวงวลเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานาต่อไปทุ่มเทให้กับการภาวนาเพียงอย่างเดียวอย่าให้มันพอเราภาวนาได้แล้วได้สมาธิแล้วนั่งได้นานเท่าไหร่แล้ ว, ลวก็ต้บงรักษาระดับนั้นให้ได้แล้วก็ต้องเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆจนให้มันเต็มร้อย ทั้งวันทั้งคืนนี้สามารถเข้าสมาธิสามารถจเจริญสติสัมปชัญญะได้ตลอดเวลาอันนั้นแหละถ้าเราถึงยาขึ้นขั้นที่สูงต่อไปก็คือขั้นปัญญาออกมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ในร่างกายในเวทนาในจิตเพื่อให้เราปล่อยวางกายเวทนาจิตตามลําดับต่อไปอันนี้เป็นการสร้างกุศล ถ้าได้กุศลระดับไหนแล้วก็ต้องรักษาไว้ไม่ให้ล ด, ลดลดน้อยลงมาถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็สร้างให้มันขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดข้อที่สองก็คือนีให้รักษากุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วไม่ให้ลดไม่ให้ลดลงไม่ให้หดหายไปอย่าหยุดทำถ้าเราเริ่มภาวนาแล้วนี้หยุดไม่ได้แนละ้วการภาวนานี้มันเป็นเหมือนกับการขึ้นเวทีชกมวยละ ชคกับคู่ต่อสู้แล้ ว, ลวเราอย่าหยุดโชคไปนัันคาดหยุดโชคเมื่อไหร่โดยเขานอกทันที<ม>เราจะหยุดโชคได้ก็ต่อเมื่อเรานอกเขาแล้ว<ม>นับสิบแล้ว<ม>กรรมการมาชูมือให้เป็นผู้ชนะแล้ว<ม>เราถึงจะหยุดได้วุติตังบรมจารอยังแล้วกจิตในบรมจารย์ได้สําเร็จแล้ว<ม>จิตได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวีนว่ายตายเกิดแล้วเท่านั้นเราถึงจะสามารถที่จะ หยุดการปฏิบัติหยุดการภาวนาได้ น, นี้ก็คือข้อข้อที่สองเพียงสร้างกุศลเพียงรักษากุศลที่เราได้มีแล้วไม่ให้หดหายไปแล้วก็เพียงสร้างกุศลให้มันเต็มร้อยแล้วก็รักษาให้มันอยู่เต็มร้อยถ้ามีกุศลเต็มร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกำจัดคู่ต่อสู้คืออาคุศลทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ประมาณที่ข้อที่สามนี่ คือเพียรละอกุศลที่ยังมีอยู่ในใจอกุศลอันใดที่เราละได้บ้างก็พยายามละไปตามกำลังไปก่อนแล้วอันไหนที่ยังไม่ได้ก็ก็เพียรพยายามต่อไปด้วยการเจริญกุศล น, นี่แหละถ้ า, ากุศลมีมากขึ้นเท่าไหร่การจะละอกุศลก็จะละได้มากขึ้นไปเท่านั้นถ้ า, า, กถ า, ากุศลถ้ากุศลมีน้อยมีกำลังน้อยก็จะละอกุศลได้น้อยเห็นต้องทาทั้งสองอย่างควบคู่กันนะ กุศลก็ต้องสร้างอากุศลก็ต้องละอกุศลคืออะไรคือการกระทาที่ที่ผิดที่ที่สร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับผู้กระทาและผู้อื่นด้วยเช่นการกระทาบาปต่างๆการเสพอบายามุขต่างๆนี้เรียกว่าเป็นอกุศลในขั้นต่ำยาเสพอบายามุขเราเลิกดื่มชุราได้หรือยังเลิกเล่นการพนันได้หรือยัง เลกเที่ยวเตกันได้หรื อ, อยังเลิกความเกยียดค้านได้หรือไม่มีแต่ความขยันหมั่นเพยียรหรือยังมีความเกยียดค้านอยู่ช่วงไหนถ้ามีความเกยียดค้านนี้ต้องพยายามกําจัดมันทันทีโอ้ยอยากจะนอนต่อถึงเวลาตื่นแต่ไม่อยากจะตื่นอยากจะนอนต่ออันนี้ก็เรียกว่าเกยียดค้านนะต้องรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาบําเพ็ญความเพยียรต่อมาสร้างสัมมาวายามุต่อ เบื้อตอนนี้ต้องลอกุศลขั้นต่ําเหล่านี้ให้ได้ละอบายามุขละการเสพสุลายาเมลละการเล่นการพนันละการเที่ยวเตะโดยเฉพาะการเที่ยวกลางคืนเนี่ยเที่ยวเที่ยวหาพวกบันเทิ ง, งต่างๆแล้วก็ละความเกียดค้านแล้วก็ละการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรอย่าไปเสียดายคนแบบนี้ เขาเป็นเหมือนศัตรูโดยที่เราไม่รู้ตัวถึงแมเนะ้เขาจะมาใน้าบของมิตรเป็นเพื่อนที่ดีแต่ถ้าเขาชวนเราไปดื่มชวราชวนเราไปเล่นการพนันชวนเราไปเที่ยวชวนให้เราเกียจค้านี่ต้องถือว่าเขาเป็นศัตรูตแล้วเพราะการกระทำเหล่านี้มันเป็นอกุศลมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราถ้าเราไปเสีบ า, บายามุกแล้วนี่มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา สร้างปัญหาต่างๆให้กับเราต่อไปแล้วมันจะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราไปสร้างอากุศลที่ร้ายแรงกว่าคือการไปทำบาปไปละอกุศลแล้วเราก็จะทำให้การละการการะทำบาปสี่ข้อนี้ง่ายขึ้นละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละการรักทรัพย์ละการประพฤติผิดประเพณีละการ พูดปด่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์มรรคการละอคุสลคือการเจริญสัมมากรรมโตกับสัมมาวาจานี่สัมมากรรมโตก็คือนการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเวณีสัมมาวาจาการการพูดชอบก็คือการไม่พูดปด่นและถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขั้นภาวนา นอกจากการไม่พูดปวดแล้วก็ต้องไม่พูดคาหยาบ ด, ด้วยไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดหรือไม่พูดยุยงให้พูดเขาเกิดกิดความแตกแยกอย่าไปพูดยุยงให้คนเขาเกลียดกันโกรธกันนี่คือสัมมาวาจาแต่ถ้ายังอยู่ขั้นระดับขั้นต่ำอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่ระดับภาวนาก็เอาเพียงแต่ ล้วเว้นจากการพูดปดก็พออย่าพูดโกหกการกระทําก็อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้ก็ถือว่ากําลังได้เจริญสัมมากรรมมันโตการกระทําที่ชอบสัมมาวาจาวาจาชอบอันนี้คือการละอากุศลถ้าเรายังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ในใจเราเราต้องพยายามกําจัดมันให้ได้ เลิกดึ่มโซราเลิกเล่นการพนัน <c oughs> เลิกเที่ยวเต่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมดีกว่า <c oughs> การเที่ยวเต่นี้เป็นการเสพกรามเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นนสดเป็นการสร้างพบสร้างชาติให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดง่ายการมาพบต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> เราต้องพยายามระงับการกระทาเหล่านี้ให้ได้ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ยูเทิร์น เปนทางเดินจากการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบให้ออกไปสู่การไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือการละอกุศลขั้นต่ำขั้นอบายามุขกับขั้นสีงการละอบายอกุศลขั้นสูงคือละอะไรก็ละกิเลสตัณหานีนะ่ตัวนี้เป็นขั้นสูงละความโลภความโกรธความหลงหรือละกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา อย่างร้อยเปอร์เซนเลยไม่ใช่ละเพียงแต่บางบางส่วนบางเวลาอันนี้จะตัดให้หมดเลยไม่เสบรูปเสียงกลิ่นล้นเลยนับความยินดีกับการเสพรูปเสียงกลิ่นล้นต่างๆเรียกว่าการมาตัญหานับความอยากมีอยากเป็นอยากร่ําอยากรวยอยากอยากให้มีคนเข้ายกย่องสรรเสริญอยากสวยอยากรล่ออย่างนี้เรียกว่าเป็น เป็นความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยอันนี้ต้องตัดไปอย่าไปอยากอยู่ตามมีตามเกิดตามสภาพของเราแค่นี้ก็พออยู่กับลมมีลมหายใจเข้าออกก็พอแล้วถือว่าพอเพียงต่อการที่เราจะไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าเรายังมีความอยากหญ่อยากโตอยากร่าอยากรวยอยู่อยากสวยอยากห ล, ล่ออยู่เราก็จะต้องมาดิ้นรนกับ วิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราลวยทำให้เราหล่อให้สวยเราก็จะไม่มีเวลาที่เราจะไปตัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆได้ต้องละภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นต่างๆแล้วก็ละความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นยังไงอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่อยากไม่ยากจนอะไรต่างๆนี้ มันเป็นเรื่องที่เราต้องหัดอยู่กับมันให้ได้เพราะเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พน้นเป็นเรื่องของของโลกนี้โลกนี้มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดามีรวยได้ก็จนได้มีเกิดต้องก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่มีใครหนีพน้นต้องหัดทำใจแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปวิ่งหนีมัน ถ้าอยากจาหนีมันก็จะทําให้เรานี้ต้องหนีกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้หนีไปไหนหนีจากความทุกข์ยากลำบากในชาตินี้แล้วก็ก็กลับมาเกิดใหม่ในชาติหน่าแล้วก็มาเจอปัญหาอย่างเดิมอีกเหตุการณ์นี้เราต้องหยุดยอมหยุดเย็นยอมรับกับสภาพยอมอยู่กับสภาพไม่ต่อต้านไม่ไม่ดินน้นรนอยู่กับมันไปหัดอยู่กับความแก่ไป ฮันยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปฮันยู่กับความตายไปถุตตายแค่ก่อนตายพอเราตายเป็นแล้วเราจะอยู่กับความตายได้เวลาความตายมาหาเรานี่เราจะไม่วุ่นวายใจเราไม่เดือดร้อนเราจะรู้วิธีอยู่กับความตายได้อันนี้ก็คือการระงับน่การละอากุศลที่ละเอียดก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธ ค, ความหลงโมหะอวิชชา ความไม่รู้ในตายรักไม่รู้ในอริยสัจสี่นี่เรียกว่าโมหะอวิชชาต้องศึกษาให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร์ขึ้นมาศึกษาจากพระพุทธเจ้านี่พระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนเรื่องตายรักให้หันมองโลกมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆภายในจิตนี้ ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยมมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับมันได้เพราะมันเป็นธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนการเหมือนกับผลตกแดดออกมันเป็นปรากฏการธรรมชาติไม่มีใครไปสั่งให้มันเป็นได้หรือไม่เป็นได้ ร่างกายมันจะเปลี่ยนมันจะแก่ก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้เวทนามันจะเจ็บก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้จิตจะมีอารมณ์เสียก็ไปห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้ว่าการที่เราจะไปอยากนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้กับใจเราแต่การที่เราไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมัน มันจะทำมันจะไม่ทำให้ใจเราทุกข์นี่คือการรู้เรื่องอริยสัจสีรู้ว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเนี่อยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้วทนาไม่เจ็บอยากให้อยากให้จิตไม่มีอารมณ์เสียมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติเหล่านี้ที่เขาจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกับดินฟ้าอากาศเหมือนฤ ด, ดูกาลต่างๆ มีการเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาออกมาจากฝนแล้วนี่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของของฤ ด, ดูฝนตามหลักของของปฏิทินวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็เข้าสู่ละเข้าสู่ช่วงของฤ ด, ดูหนาวแล้วแบ่งไว้เป็นช่วงละสี่เดือนฝนก็สี่เดือนหนาวก็สี่เดือนพอพ้นสี่เดือนจากหนาวก็เข้าไปสู่ร้อนมีใครไปเปลี่ยนมันได้ไหมล ไม่เอาจะเอาให้มันหนาวไปทุกวันเปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปไม่ได้ฉะนั้นใครจะไปเปลี่ยนร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายได้นั้นไม่ได้ใครจะเปลี่ยนให้เวทนานี้มีแต่สุขอย่างเดียวได้ไั้มไม่ให้มีทุกข์ไม่ได้การที่จะเปลี่ยนจิตใจอารมณ์ในะจิตใจเราให้มีแต่อารมณ์ที่ดีสงบเย็นสบายอยู่ตลอดเวล า, า, าทําได้ไหยอันนี้เราก็ทําไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มันมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันแปรไปแปรมา แต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้ไม่ทุกข์กับความแก่ได้ไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายได้ไม่ทุกข์กับเวทนาความเจ็บปวดต่างๆได้ไม่ทุกข์กับอารมณ์ที่บูดบดเบี้ยวได้มันบูดเบี้ยวก็รู้ทันแนละ้วปล่อยวางว่ามันเป็นธรรมชาติของมันมันก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปท่านเองรู้เท่านี้แล้วมันก็จะหายไปอย่างนี้ก็คือ เรื่องของการสร้างกุศลขั้นสูงหรือการละกุศลขั้นสูงก็คือละโมหะอาวิชชาโมหะก็คือความหลงอวิชชาคือความไม่รู้หงอะความหลงคือหลงหลงเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วจะต้องเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอด แต่ความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามกันมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีอะไรที่เป็นของเราได้ตลอดเวลาต้องใช้อนิจังทุกขังอนัตตามาแก้โมหะความหลงแล้วก็ใช้อริยาศาศาสัจสีมาแก้อวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ว่าทุกเกิดเกิดจากอะไรทุก็เกิดจากความอยากเกิดจากกามตัาหาภวตันหาะวิภาวตันหา แล้วทุกจะดับได้อย่างไรก็ดับได้ด้วยปัญญาคือมดับได้ด้วยสติสมาธิและปัญญาถ้ามีสติสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถระงับดับความอยากต่างๆได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปอันนี้แหละคือความเพียรข้อที่สามให้รามราะอกุศลต่างๆที่เรายังมีอยู่ในใจของเราให้มันหมดไปให้ได้ ละอบายามุขละการกระทําบาปละละความหลงละอวิชชาความไม่รู้อันนี้ต้องพยยียรพยายามทําไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่ ท, ทําทีเดียวได้ปุ๊บทั้งหมดร้อยเปอร์ซนตได้เป็นขั้นๆไปถึงแบ่งการบรรลุธรรมเป็นสี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนนาคามีและขั้นอารหันเนีย่ยเป็น และขั้นนี้ก็ละอกุสนคือสังโยชน์ต่างๆไปเป็นขั้นๆไปจนในที่สุดก็ละได้ครบทั้งหมดทั้งสิบสังโยชน์ก็จะได้รับผลอย่างเต็มร้อยคือดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรให้ใจมีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นบรลมะมสุขของพระนิพพานอันนี้ก็คือความเพียรละอคุสนต่างๆ นะพอเราละกสลข้อใดแล้วเราก็มาที่ข้อที่สี่ฟ้องกันไว้อย่าให้มันกลับคืนมาอีกถ้าเลิกดื่มสุราได้แล้วเนี่ ย, ยบางท่านเนี่ยว่าช่วงเข้าพรรษานี่จะละดื่มสุราแต่พอออกวันษาปั๊บนี่กลับมาดื่มอีกแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปละมันดีกว่าใช่เสียเวลาละแล้วก็ต้องละเลยอย่ากลับมาดื่มมันอีก เมื่อเราละความชื่ออกุศลได้แล้วก็ต้องเพียรรักษาป้องกันไม่ให้มันหวนกลับคืนขึ้นมาอีกบางคนเพียงขอละแค่สามเดือนก็พอปีหนึ่งเอาแค่สามเดือนแต่ว่าแต่ว่าไม่ดีก็ไม่เฉยก็ดีกว่าไม่ละแต่มันก็ยังเป็นเหมือนกับการเดินหน้าถอยหลังอยู่นะึงเดินไปเดินไปข้างหน้าสามเก้าแล้วถอยหลังเก้าเก้าละสามเดือนแล้วก็กลับไปดืม่มอีกเ้าเดือนนมันมันก็ขาดทุนอะไรงหมืน อาุุลมันมากกว่าที่การละอาคุศล่เราต้องทำแบบว่าละได้แล้วก็ต้องละเลยไม่ไม่กลับไปมันต้องเพียรรักษาเพียรป้องกันไม่ให้อาุุลที่เราได้ละแล้วนี้หวนกลับขึ้นมาอีกละอบยมุกแล้วได้ก็ละไปละการกระทำบาปได้ก็ต้องละไปอย่าให้มันกลับมาใหม่ละกิเลสตัวไหนได้แล้วก็ละไปเจริญปัญญาเห็นเห็นตักตัวไหนก็เห็นไป อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยรักษาไม่ให้มันเสืออเส่อมหายไปเพราะมันเสื่อมหายไปก็เหมือนกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์หน่อยงั้นเราอยากกลับไปเริ่มต้นเราทำอะไรแล้วเราอยากให้มันหายไปเหมือนหาเงินทองมาได้แล้วก็อยากให้มันหายไปให้มันพอกพูนเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆหนี้เก่าที่เรามีอยู่เราชาระไปแล้วก็อยากไปสร้างหนี้ใหม่จนกระทั่งไม่มีหนี้เลย ลบบัญชีนี้ให้หมดมีแต่มีแ ต, มแต่มีแต่บัญชีเงินฝากเต็มร้อยพอมีบัญชีเงินฝากเต็มร้อยก็ตีตัวไปท่านิพพานได้วยหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยนี่คือเรื่องของการเจริญสัมมาวายาโมความเพียรชอบที่มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่งให้เพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรรักษากุศล ที่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ให้โหดหายไปสเพียรละอกุศลให้หมดสิ้นไปจากใจสให้เพียรรักษาอากุศลที่ได้ละแล้วไม่ให้กลับเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้การหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยความด้วยความเพียรย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวามีวะอิตุชินามเปตานางอุ ป, ป ก, ปกปรัรปฏิอิชิตังปัิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสนิจจโตสะเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราสุยาามะีโชติราสุยาาสพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโวินาสตุมาเตภวัตวันตาโยสกิธีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโน ชตารูธามวาทันติอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามนั้นอยากจะถามอะไรถามได้ในตอนนี้ไม่มีหลังใหม่นะ ถ้าอยากจะมารอหลังไหม่ก็ไม่มีนะก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่มาแบ่งกันมาแชร์กันได้นะนะไม่ใช่เป็นเรื่องอน่าอับอายอนะไรนั้นก่อนที่ยังพูดได้เสร็จก็ใครอยากจะถามมาถามเองก็ได้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งครอบความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีเพจถ้ามีมือถือก็ส่งมาตามเพจตามยูทู e ก็ได้นะวันนี้ผู้ติดตามมีเท่าไหร่ กรา บ, บนามร ส, สการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ธรรมะนาคุติและก็มีผู้รับฟังทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์547ท่านเจ้าค่ะยูทูบพระอาจารย์312ท่านดอตอร์วีชาแนล76ท่านวิทีออนไลน์8ท่านครับเฮาสิบท่นานนาคุติ107ท่านรวมเป็น 1,065 ท่านเจ้าค่ะ ใครอยากจะถามเชิญถามได้เลยกลับนำสักการค่ะพระอาจารย์พอดีหนูได้เริ่มมาปฏิบัตินะคะทีนี้เนี่ยตอนนั่งสมาธิอะค่ะหนูใช้วิธีกำหนดพุทโธก็พอเริ่มทำรู้สึกว่าดีขึ้นหายง่วงแต่พอเวลาเดินนะคะไม่ได้กำหนดพุทโธแต่เป็นการดูอาการแบบนี้สามารถทำสลับกันได้ไหมคะ ได้ดูเท้าดูการเคลื่อนไหวของเท้าเราก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปค่ะเป้าหมายก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่อ ง, ร, องราวต่างๆก็คือเราขังความคิดไว้ให้อยู่กับร่างกายห้ามออกไปไหนใช่ให้อยู่กับกบยริยาบทเคลื่อนไหวของร่างกายเรียกวกายกตาสติ ถ้าใช้คำบริกรรมพุโทโธก็เรียกว่าพุทธทางสติค่ติใช้แทนกันได้ ถ, ถ้านั่งไม่อยากจะพุโทโธก็ดูลมหายใจเข้าออแทนกันได้เมื่อก่อนหนูลองลองทำที่เป็นดูอาการนะคะ ก็ง่วงพอทำพุทโธไม่ค่อยคล่องก็กลับไปทำแบบเดิมแต่พอมาปฏิบัติครั้งนี้พอทำพุทโธ ร, รู้สึกว่ามันใช้ได้ผลเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนจริงๆค<ะ>่ะความง่วงไม่ได้อยู่ที่พุทโธแล้ว อ, อยู่ที่การดูอาการอยู่<ะ>กินมากเกินไป <laughs> ความให้ครับพระอาจารย์น้อยหน่อยความภัยกับอาจารย์สินศาสตรอยากไปกินอาหารหลังจากเที่ยวันไปแล้วเนี่ยะช่วยแก้งงงได้เยอะกว่าแล้วก็เรื่องของสัมมาวายโมที่พระอาจารย์เทศไปอะค่ะแสดงว่าอข้อสามะค่ะการกําจัดอกุศลที่มีในใจส่วนข้อสีก็คือป้องกันไม่ให้อกุศลที่ชําระแล้วกลับมาอีกหมายความว่ามันมีโอกาสกลับมาได้ ทุกครั้งกินเล่าเลิกเล่าในในพรรษาพอออกภรรษาก็กลกลับไปกินใหม่ก็คือแสดงว่าเราไม่ควรวางใจว่าอะไรที่เรา<ด>คิดว่าเราทำได้แล้วมันจะหายไปเลยบันทีอยู่ดีวันดีคื้นดีเปรี้ยวปากขึ้นมาเ <c oughs> พื่นพอนผัวมึงชูนให้มันเกิดว้ไปกินเล่ากันท่านหน่อย แล้วต้องปฏิเสธก็อย่าไปเกลีใจเพื่อนค่ะเพื่อนแบบนี้ถือว่าเป็นสัตว์ตในค่าของเพื่อนก็คือไม่ควรครบเป็นมิตรไม่คบเป็นมิตรถ้าเขาอยากจะเลิกกับเราเพราเราไม่ไปกินเล่ากับเขาก็ปล่อยเขา แลกกับเราไปค่ะอืมแล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์เรื่องเรื่องมรรคค่ะพระอาจารย์ให้ให้ให้ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมว่าข้อแรกก็คื อ, อ, อให้ให้เรื่องของความเพียรสมมติว่าเราเราเริ่มทำความเพียรได้แล้วข้อต่อไปควรจะต้องเป็นอะไรคะพระอาจารย์ก็เนีย่ยข้อจุด เพียรในข้อต่อไปไงเพียรเจริญสติเพียรรักษาเสียงเพียนั่งสมาธิก็คือไม่ได้เป็นสเต็ปแต่หมายถึงว่าให้เริ่มจากความเพียรก่อนเพียรสร้างกุศลไงกุศลอะไรเรายังไม่มีก็ทําเสียค่เรายังไม่มีความเมตตาก็ทําเสียค่ะถ้าไม่มีทานไม่มีการเสียสละแบ่งปันก็หัดทําส่ะแล้วก็ข้ออื่นก็คือจะเกิดขึ้นเองมันทุกอย่างมันตามมาได้ไดสี่ข้อหัวข้อใหญ่่คขอต้องคุณค่ะพระอาจารย์ ก็ไปศึกษาดูว่ากุศลมีอะไรบ้างอ่ะกุศลมีอะไรบ้างท่านนีนท่านอยากจะถามเชิญเข้ามาร้อนแดดหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนะเอาไมโครโฟนดูเอาเอาปาไมโครฟโฟ น, โนที่ครับครับพอที่ผมเค ย, ย, ยเคยฟังธรรม จากลูกศิษย์พระอาจารย์สุชาติครับที่ท่านชีบิมุตครับก็เลยในโอกาสวันนี้มากาบพระอาจารย์ครับผมก็เลยใครนะท่านท่านบ่อยครับท่านบอยครับดีเลยอยากขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเรื่องการปฏิบัติของผมชี้มาหน่อยชั่วโมงกว่าลนะนี่ของนเอาไปปฏิบัตินีความเพียรชอบเนี่ยครับมีอะไรมไหม โอเค้อ่าต่อไปจค่ะมีคำถามจากยูทู e จากคุณจันนิพากราบเรียนถามค่ะเราให้อภัยคนที่ทำให้เราเสียใจไม่โกรธไม่เกลียดเขาแล้วแต่เวลาเจอกันใจไม่ค่อยสงบค่ะ ยังมีความรู้สึกขออยู่ห่างๆจากเขาดีกว่าแบบนี้จะเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อไปอีกไหมคะถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาก็ไม่ไม่ไม่เป็นการสร้างเวนสร้างกรรมแต่ถ้าเรายังทำใจที่จะอยู่ใกล้เขาไม่ได้เราก็เวลาเข้ามาทางนี้เราก็ไปทางนู้นก็แล้วกันต่างคนต่างอยู่ไปแต่อย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไปทำร้ายกัน มีคำถามจากคุณยูนิตี้ตกคำถามครับกับนักสการครับขอกาดกราบเรียนถามครับข้อหนึ่งธรรมะที่ถ่ายทอดทางจิตทำได้ไหมครับไม่ได้หรอกธรรมะที่ของใครของมันนะต้องทำกันเองคำถามข้อที่สอง เมื่อจิตสงบไม่เห็นเทวดาหรือพระอื่นๆเลยจําเป็นไหมต้องเป็นหมู่คณะกับเทวดาต่างๆทําเช่นนั้นมีประโยชน์คุ้มไหมครับ อ, อันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบางคนบาง ค, คนจิตสงบแล้วก็สามารถติดต่อกับเทวดาได้แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อมาผลผานิพพานครับเป็นเป็นอุปสรรคเป็นเป็นการทะเลทถลายพาให้เราออกนอกรูนอกทางได้ เห็นทางที่ดีอย่ามีดีกว่าถ้ามีก็อย่าไปสนใจให้ดึงใจให้กลับเข้ามาสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างอย่าไปรู้อย่าไปเห็นอะไรคำถามข้อที่สามการที่เราไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเทวดาทั้งหลายนั้นเรายังมีตัวตนอยู่ชนิดหนึ่งหรือไม่ครับกราบขอบคุณครับการเป็นหนึ่งกับเทวดาเลยเป็นยังไงเป็นหนึ่งกับเทวดาไม่เข้าใจ การที่เราไม่เป็นหนึ่งเดียวกับเทวดาทั้งหลายนั้นเรายังมีตัวตนอยู่ชนิดหนึ่งหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณครับตัวตนมันมีตลอดเวลาจนกว่าจะถึงนิพพานนั่นนะตัวตนมันจะหายไปหมดเป็นเทวดาก็ยังเป็นตัวตนอยู่เป็นพรหมก็ยังเป็นตัวตนอยู่คําถามข้อที่สี่ นิพพานเป็นธรรมที่นิจังสุ ข, ขังอัตตาชะไหนท่านกล่าวว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติครับกราบขอบพระคุณครับนิพพานไม่ได้เป็นสัพเพธรรมาอนาตาัตตานิพพานเป็นนิพพานอเชิญถามนะเลยเข้าม า, า, นะากับเรียนพระอาจารย์ค่ะดังๆเลยผูดใกล้ๆปากนะค่ะกับเรียนพระอาจารย์ค่ะปกติหนูจะ อ, อสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วในชีวิตประจําวันบางทีขับรถอยู่หรือว่านั่งมองอะไรอยู่ใจมันก็จะสวดมนต์ไปเองหรือบางทีมันก็จะพุโทโธไปเองอันนี้มันเป็นอัตโนมัติสติเริ่มเริ่มเริ่มเดินของมันเองนะโดยที่ไม่ต้องไปบังคับมัน อ, อมันไม่ใช่สัญญ า, ใ ช, ญญาใช่ไหมคะ ถ้ามันพุทโธพุทโธก็ให้มันพุทโธไปไม่ไดกลไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แล้วทาให้ใจไม่สงบค่ะแล้วสวดมนต์ก็เหมือนกันใช่ไหมคะบางทีมันเป็นของมันเองได้แสดงว่ามันมีพลังของมันเองแล้ใหม่ยแล้วต้องบังคับมันให้สวดให้มันพุทโธแต่พอเราทําไปเรื่อยๆเหมือนกับรถอ่ะพอเราเริ่มเข็นมันพอมันวิ่งได้บางทีมันก็ไหลไปเองได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ คำถามจากทาง The, โด็อร์บชาแนลจากคุณวันธนีความเชื่อที่บอกต่อกันมาในเรื่องจันทคาษทในวันนี้ทำให้เกิดความหวั่นไหวว่าอาจจะเกิดไม่ดีจริงๆแบบนี้คือเรายังมีโมหะอยู่ใช่ไหมคะและควรแก้ไขโดยใช้ธรรมะข้อใดคะก็ใช้ความจริงสิความจริงก็เรียนจากนักวิทยาศาสตร์ก็หูว่ามไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของโลกมาบังแสงอาทิตย์ต่อหน้าดวงจันทร์ มันก็เลยทำให้แสงแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่งไปที่ดวงจันทร์ได้ดวงจันทร์มันก็เลยไม่มีแสงชั่วคราวพอโลกเคลื่อนออกจากการบางังเนี่ยเหมือนกันในะใครมา น, นั่งหน้ากล้องเรามันก็บังเรานะ <c oughs> ใช่ไมแ้พอมีคนมาบังเรานี่กลายเป็นเรื่องมันเป็นลาวขึ้นมาเลย <c oughs> มันไม่เป็ น, อ, น, ปนอ่มันเนเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะเหมือนฝนตกแดดออกแผ่นดินถลม่ม น้ำท่วมอะไรมันเป็นปรากฏการธรรมชาติมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นเรื่องของโลกมันมเรื่องธรรมดาท่านอย่างไม่ดีอะไรทีนี้คนไม่รู้เรื่องก็อะไรไปปุงแต่งไม่ว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปท่านเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มต้องอมาเลยอยากจะถามอะไรเข้ามาได้กาบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ เ, ออเคยฟังที่พระอาจารย์เคยสอนไว้ว่าการสมถภาวนากับวิปัสนาภาวนาเจ้าค่ะถ้าเราจะทำสมถภาวนาก็ทำอย่างเดียวแล้วค่อยถอนออกมาก่อนค่อยไปวิปัสนาทำทภ า, าวนาใช่ไหมเจ้าค่ะก็เหมือนเรียนหนังสือเราก็ต้องกอไก่ขอไข่ก่อนไม่ใช่พอจะเริ่มต้นก็จะไปเขียนเขียนเขียนเย่างนั้นเขียนเรื่องนี้เลยแต่งกรเลไม่ได้หรอกต้องมีเครื่องมือก่อน ต้องมีกรไก่ ข, ไข้อไก่มีการสะกดมีการอ่านออกเขียนได้ก่อน <Okay. S 1> แล้วเราถึงค่อยไปไปไปเขียนหนังสือได้ไปแต่งกอนได้ <Okay. S 1> ก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้เราก็ต้องมีเครื่องมือที่จะไปใช้กับปัญญา mm hmm. เครื่องมือก็คือสมาธิจิตต้องตั้งมั่นมีอยเบกขา <Okay. S 1> มีกําลังที่จะสู้กับความอยากสู้กับกิเลสได้ mm hmm. พอมีแล้วทีนี้เราก็ไปศึกษาปัญญาว่าตัวที่เป็นกิเลสเป็นอย่างไร พอเจอมาแล้วเราก็จะได้กําจัดมันได้มันต้องต้องรอพอต้องต้องให้เวลากับตัวเองปฏิบัติให้แข็งแรงถ้าไม่มีสมาธิไปไปทางปัญญาพอเจอกิเลสก็สู้มันไม่ได้พอกิเลสอยากไปเที่ยวก็สู้มันไม่ได้อยากมีแฟนก็สู้กับมันไม่ได้แต่ถ้ามีปัญญาถ้ามีมีอยู่เบิกขาพอปัญญาบอกว่ามีแฟนแล้วทุกข์อย่าไม่มีดีกว่าฮะไม่มีก็ได้ได้เข้าใจไหมค่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะยังไม่มีคติธรรมเราะมาช้าไปมันไม่มีเพราะคนเตรียมตัวไปลอยกระทงไันล้องเลนะ <c oughs> <c oughs> คนที่ก้าเชื่อว่าลอยกระทงแล้วความทุกข์ก็จะไปกับกระทงนี้เป็นความเข้าใจผิด น, นะแต่ก็เป็นเรื่องของคนที่เขาไม่มีธรรมะ แล้วเขามีความหวังหวังให้ความทุกข์มันหมดไปจากชีวิตเขาเขาก็เลยคิดว่าการไปลอยกระทงนี้เป็นการปลดปลื้มความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเขาให้หมดไปแต่ลอยต่อให้ลอยล้านกระทงมันก็ไม่หมดนะเพราะความทุกข์มันไม่ได้มันไม่ได้ไปกับกระทงความทุกข์มันอยู่กับใจเรามันจะไปแต่เมื่อเรามีปัญญามีสมาธิที่จะมาตัดตัวที่สร้างความทุกข์ก็คือความอยากาต่างๆให้หมดไปจากใจ นันก็เป็นความเชื่อเป็นความปรารถนาดีความหวังแต่มันไม่ได้เป็นความจริงเพราะลอยกันมานมนตั้งยุคกี่ยุคกี่พบแล้วผิ่ชาตนะิแล้วปู่ย่าตายายก็รอยกันมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยน่นนะเขาก็ลอยกันมาความทุกข์มันก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่มันไม่ได้หมดไปจะหมดไปต้องรอยด้วยมรรคแปดือยด้วยทานสีนภาวนา ถ้ามีทานศีลภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาจะเอาความทุกข์ออกไปจากใจเราหมดเลยมีอะไรไหมมีคำถามจากเ c e b o o k เจ้าค่ะจากคุณจากคุณเบญจวรรณเมื่ออยู่กับความว่างเมื่ออยู่กับความวางแล้วเราจะเดินปัญญาหลังจากออกมาจากสมาธิก่อนแล้วเดินปัญญาหรือคะถ้าจิตเรามีความว่างความสงบปล่อยวางนิ่งเฉยได้ ทีละเวลาเราเกิดไปเดือดร้อนกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้ปัญญาวิเรา์ว่ า, วาเรื่องที่เราไปยุ่งเรืยมันเป็นอะไรเราทำอะไรได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะวางเฉยไม่ได้เช่นคนรักเราเป็นมะเร็งเราอยากจะให้เขาหายแต่เราทำอะไรได้หรือเปล่าทำไม่ได้แล้วความจริงเป็นยังไงความจริงก็คือคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะ ก็ต้องปล่อยเแก่เจ็บตายไปจะทําถ้าไปอยากไปดิ้นรนใจแล้วก็ทุกข์ไปกว่ากันอันนั้นแหละคือการใช้ปัญญาเวลาที่เอาเวลาที่ไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้ปัญญาหรอกใช่ไหมเหมือนกับเวลาที่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาใช่ไหมถ้าคุณแม่ปวดหัวกินยาแก้ปวดหัวมันได้ประโยชน์อะไรไหมถ้าไม่ปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องมันมีผลอะไรไหมไม่มีแต่เวลาเกิดปวดท้องขึ้นมานี้ต้องรีบหายากินใช่ไหม พอกินยาที่แก้ได้พอกินปับ๊บอาการปวดท้องก็หายไปเวลาใจเราไม่ทุกข์มันก็ทใช้ปัญญาไม่ได้แต่ในช่วงนั้นเราก็มามาศึกษามาทำการบ้านก่อนได้ใช้ปัญญาทำทาการบ้านก่อนว่าเผื่อต่อไปคนที่เรารักเราเขาทิ้งเราเราจะทำยังไงให้คิดอย่างนี้ดูตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาว่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าเขาจะทิ้งเราอย่างี้ ถ้าเราพิจารณาเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราจะทำไงต้องทำใจเราก็ต้องยอมรับกับสภาพถ้าเรามีมีอุเบกขาใจเราว่างเราก็เฉยได้แต่ถ้าเราไม่มีเราก็จะอยากให้เขาอยู่อยากให้เขาอยู่เดี๋ยวต้องไปหาหมอดูต้องไปหาวิธีแก้สเสน่ห์ไปทำร้อยแปดประการนี่คือปัญญา ปัญญามีสองลักษณะคือเตรียมเตรียมการไว้ก่อนเหมือนเตรียมยาไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ปวดท้องแต่รู้ว่าวันข้างหน้าอาจจะปวดท้องตอนนี้รี่ไปเตรียมยาไว้ก่อนดีกว่าพอถึงเวลาปวดท้องจะได้เอายามากินได้เลยคือปัญญามสีสองลักษณะการเตรียมตัวก่อทําการบ้านก่อนเตรียมยาไว้เตรียมปัญญาไว้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกนะปันญาวันหนึ่งจะต้องมีการพัฒนาจากกันสอนสอนตนเองอยู่เรื่อยๆ แล้วพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ก็เอาปัญญามาบอก mm hmm. ห็ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมีการสิ้นสุดลงได้เราก็ทำใจอะ่ะยอมรับสภาพไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์คำถามต่อไปจากคุณบุญนิสากร เวลาหายใจเข้าพุธหายใจออกโทรเราต้องกําหนดการหายใจอย่างไรคะต้องให้หายใจยาวขึ้นหรือลึกขึ้นไหมคะ อ, อ๋อหายใจนี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยก็หายใจตามธรรมชาติของเขาแล้วบางทีถ้าหายใจเข้าว่าพุธหายใจออกว่าโทมันยุ่งก็ไม่ต้องพุธโทก็ได้ให้ดูเฉยๆอย่างเดียวดูวตอนนี้ลมกําลังเข้าหร้อกาลังออกที่ปลายจมูกก็พอ แต่ถ้าอยากจะใช้พูดเข้าทัวก็ไม่ไม่ว่าอะไรห้ไม่ห้ามทําได้นะแต่บางทีก็ไม่จําเป็นนะถ้าเราดูลมเฉยๆได้ก็ดูลมอย่างเดียวจะสบายกว่าแล้วอย่าไปบังคับลมเหมือเราดูโทรทัศน์อะเราจะไปบังคับให้คนแสดงนั้นให้แสดงแบบนั้นแบบนี้เราไม่ได้เป็นผู้กํากับภาพยนตร์นะเราก็ไม่ไม่ต้องการกํากับลมไว้ให้ลมเขาแสดงตามสภาพของเขาไปใหม่ๆก็จะสั้นแล้วต่อไปก็จะยาวขึ้น เมือม่อร่างกายสงบใจสงบมาลมก็จะเบาลงแล้วก็จะยาวขึ้นก็ให้รู้ตามธรรมชาติของเขาไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมแต่อย่างใดคำถามต่อไปจากคุณ a อดีกราบเรียนถามค่ะ หลักการปฏิบัติเพื่อจิตสงบเป็นสมาธิมีสี่สิวิธีตามจริตแต่การเจริญสติสมาธิปัญญาต้องเป็นตามลําดับคือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตามลําดับใช่ไหมคะ ข, ข้ามขึ้นข้ามขั้นไม่ได้อันนั้นเป็นขั้นปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาร่างกายก่อนแล้วพิจารณาเวทน า, นาแล้วก็เพราะมันมีความยากง่ายต่างกันพิจารณากายมันง่ายกับพิจารณาเวทนา พิจนาเวทนาน่ายกับพิจนาจิตคำถามของคุณนิปปอนบุญคุณของคนชดใช้ยังไงถึงจะหมดครับก็แล้วแต่เขาเราเขาก็ให้เราแสนหนึ่งเราก็ลองใช้แสนหนึ่งมังนจะงหมดนหก็คิดคุณค่าของเขาว่าก็ามีคุณค่าราคาเท่าไหร่แล้วเราก็พยายามชดใช้ไปยกเว้นคุณค่าของพ่อแม่เท่านั้นนะที่ชดใช้ไม่มีวันหมดแต่หมดได้แต่ต้องทาให้ท่านเป็นพระสดาบัน อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทําให้พ่อให้แม่เป็นพระอริยะเจ้าทําให้แม่เป็นพระโสดาบันทําให้พระราดบิดาเป็นพระอาหันอย่างนี้เทวได้ชดใช้บุญคุณได้หมดสิ้นไปนอกจากนั้นก็แล้วแต่คุณค่าของเขาเขาทำอะไรให้เรามีคุณค่าแสนหนึ่งเราก็ต้องทําอะไรที่มีคุณค่าแสนหนึ่งนึกแล้วบวกดอกนิดหน่อยเพื่อคําถามจากคุณภวนาศค่ะ สัมมาสมาธิสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีวิตกวิจารปิติสุขได้ไหมครับก็ต้องมีสติมันไม่ได้เกิดจากถ้ามีสตินี้บางทีมันก็ข้ามไปเลยก็ได้พวดมันก็ลงไปสู่สู่อัปปนาสมาธิเลยก็ได้คำถามจากคุณนาวานาวีพระอาจารย์คะ เพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตมาหาในฝันได้คุยโต้ตอบกันเขาบอกว่าเวลาเขากำลังจะตาย เขาหยุดความคิดตัวเองไม่ได้หนูยังไม่ทันถามกลับก็ตื่นเสียก่อนค่ะคือก่อนเสียเขารู้ตัวว่าเป็นโรคร้ายเขาเลยเร่งทําทานอย่างเดียวค่ะแต่ไม่ได้เจริญสติภาวนาจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ไหมคะพระอาจารย์ที่เวลาเขาตายแล้วเขาขาดสติควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ใช่ไม่ซ้อมไม่ก่อนไงทำแต่ทานก็จะได้ใจที่สงบในระดับทาน ได้ความอิ่มใจสุขใจไปแต่ยังเกิดความฟุ้งซ่านทางความคิดอยู่เพราะเราไม่ฝึกสติถ้าเราฝึกสติได้เวลาใจเวลาจะตายเราก็นิ่งเฉยไปคำถามจากคุณเตชินีก่อนนอนนึกถึงพุทธโธจนหลับพอกลางดึกนอนพูดพุทธโธ ร, รู้สึกตัวขึ้นขำตัวเองแบบนี้คืออาการอะไรคะอาการของจิต คำถามจากคุณจรัญญาความก้าวหน้าในการปฏิบัติปัจจุบันยมรู้ทันความคิดตัวเองค่ะว่าตอนนี้คิดอะไรคิดดีหรือคิดไม่ดียมตั้งเป้าหมายที่การทำความเข้าใจว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาคือปัจจุบันที่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ ก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยการรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปโลภอย่าไปอยากกับสิ่งหนึ่งตา่างคำถามต่อไปการที่เราเฝ้ามองเห็นความคิดโดยมีสติตามรู้ แล้วหยุดคิดได้มาเป็นผู้รู้ทั้งยามตื่นยามทําสมาธิทั้งวันจนกว่าจะหลับแม้แต่เห็นอะไรก็สักแต่รู้ไม่ยึดปล่อยอะไรเข้ามาก็แค่รู้แล้วปล่อยกลับรู้ว่าได้สติดีเจ้าค่ะขอคําแนะนําพระอาจารย์เพิ่มด้วยเจ้าค่ะเ อ, อเวลาเห็นเงินนี่ยังอยากรึเปล่าหรือเฉยวางเฉย เวลาเขาถูกเขาขโมยเงินไปแล้วมันเฉยหรือเปล่าเราไปแจ้งความถ้าทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงก็ต้องปล่อยมันมาปล่อยมันไปไม่ต้องไปแจ้งความไม่ต้องไปดีใจเวลามันมาก็เฉยไปบางเรื่องมันเฉยไม่ได้เลยกลัวถ้ามันเฉยได้ทุกเรื่องก็ดีเวลาร่างกายเป็นมะเร็งนี่เฉยได้หรือเปล่า โอเคงั้นหมดแล้วใช่ไหมจ้าค่ะโอเคจะได้ปล่อยให้ไปเตรียมตัวไปรอยกระทงกันก็ขอให้ท่านทรงนำเาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอสาธุ